หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมนี้ย่อมกำหนดรู้ขันห้าและพระไตรลักษ์ทั้งหมดนั้นตามสภาพที่มีจริงด้วยอุทพพย า, ยานที่เรียกว่าวิปัสนาที่ดำเนินไปตามวิถีพ้นไปจากอุปกิเลสองเมื่อเข้ากำหนดรู้อย่างนี้แล้วพิจารณาไตรตรองอยู่เนืองๆว่ารูปนามไม่ที่ยังเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน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 หมายความว่าปัญญาใดาในการรู้เห็นความดับไปของปัญญาที่เกิดขึ้นรู้เห็นอารมณ์ว่าเสื่อมสิ้นไปนั้นมีอยู่ 3. ปัญญานี้เป็นวิปัสนาญาณข้อความข้างต้นอธิบายศัพท์ดังต่อไปนี้ว่าคําว่าปฏิสังขายาชานิตวาอธิบายปฏิสังขาศัพท์ ว่าแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าพิจารณาดังคําว่าปฏิสังขาโยนิโสจีวะรังปฏิเสวามิเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วใช้สอยจีวอนส่วนคําว่าขยายโตวยาโตทิศวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปอธิบายว่าการรู้ดังกล่าวเป็นการเห็นประจักษ์ความเสื่อมสิ้นไป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 สติตั้งมั่นอยู่ในนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความพินาศไปอย่างเดียวขยาโตวยัโตทิศวาเห็นว่าเสื่อมสิ้นไปในคำภีปฏิสัมพิธามักยังจำแนกความดับไปของทวารหกอารมหกวิญญาณหกเป็นต้นด้วยคำเป็นต้นว่า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 ที่ไม่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิทามากและวิสุทธิมักตามลําดับว่ายานที่ถึงพร้อมได่องสองเหล่านี้คือการกําหนดโดยสภาพอย่างเดียวกันคือความดับในอารมณ์ทั้งสองคืออารมณ์ที่เห็นประจักษ์อันได้แก่ปัจจุบันและอารมณ์ที่มีเห็นประจักษ์อันได้แก่อดีต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 ที่ถูกคั่วในหมอ้อเหมือนฟองน้ำบนผิวน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักและเหมือนพยับแดดดังพระพุทธจวัจนะที่หมายถึงบุคคลดังกล่าวว่าผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่เจรังและหาสาระมีได้เช่นเดียวกับคนที่มองฟองน้ำและพยับแดดเช่นนี้พญามัจจุราชย่อมตามหาไม่พบ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 หรือปีศาจเป็นเพียงความไม่สดชื่นแจ่มใสเพราะรู้เห็นความจริงว่ารูปนามเป็นของน่ากลัวดังคำภีวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ถามว่าพยัญาณที่เห็นประจักษ์ว่าน่ากลัวกลัวหรือไม่ 2. ตอบว่าไม่กลัว 3. เพราะญาณ น, นั้นเป็นเพียงความเข้าใจว่า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 ของรูปนามหน้ากลัวเป็นอาธีนวยานความดำเนินไปของรูปนามหน้ากลัวเป็นอาธีนวยานนิมิตคือสังขารรูปนามหน้ากลัวเป็นอาธีนวยาณความขวนขวายคือกุศลและอกุศลหน้ากลัวเป็นอาธีนวยานการเกิดใหม่หน้ากลัว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 ความแก่หน้ากลัวเป็นอาทีนวยานความเจ็บไข้หน้ากลัวเป็นอาทีนวยานความตายหน้ากลัวเป็นอาทีนวยานความเศร้าโศกหน้ากลัวเป็นอาทีนวยานความคล่ำกรวนหน้ากลัวเป็นอาทีนวยานความคับแขนใจหน้ากลัวเป็นอาทีนวยาน2 ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวว่าความเกิดขึ้นของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอาทีนวยานความดำเนินไปของรูปนามเป็นทุกข์เป็นอาทีนวยานความคับแคนใจเป็นทุกข์เป็นอาทีนวยาน 3. ปัญญาในความปรากฏโดยความน่ากลัวความเกิดขึ้นของรูปนาม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 ความดำเนินไปของรูปนามนิมิตคือสังขารรูปนามความขนขหวยคือกุศลและอกุศลการเกิดใหม่แสดงอารมณ์ที่เกิดของพยายานและอาทินวญาณส่วนบทที่เหลือสิบบทมีภูมิที่ไปเกิดคือคติเป็นต้นกล่าวไว้เพื่อแสดงคำไวยพ์ของบทเหล่านั้น หรือเพื่อให้ผู้มีปัญญามากอนุมานรู้ได้คําไวยพ์ดังกล่าวโดยมีบทที่เหมือนกันคือความบังเกิดนิพติความเกิดชาติความเกิดขึ้นของรูปนามอุปทะและการเกิดใหม่ปฏิสนธิภูมิที่ไปเกิดและความเข้าถึง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 คือเป็นทุกข์สามิสังเจือด้วยอมิตรและสังขาราคือสังขารดังคาภีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นปัญญาที่ดำเนินไปด้วยอาการน่ากลัวชื่อว่าพยญ า, ยานที่เป็นประจักษ์ว่าน่ากลัว 2. ยานที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยอาการอื่น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 ความไม่ขวนขวายคือกุศลและอกุศลและการไม่เกิดใหม่เป็นความกเกษมเป็นสุขที่หลุดพ้นจากอมิตรคือวัตทุกข์กรรมคุณและกิเลสดังนั้นในคัมภีปฏิสัมพิธามักจึงกล่าวถึงความรู้ในทางบรลลุสันตีสีวาระว่า 1. ความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนกเกษมเป็นความรู้ในทางบรลลุสันติ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 ความรู้ในทางบรรลุสันติที่แสดงไว้ในวาระสีนี้ไม่ใช่พยาญานหรืออาทีวน า, านแต่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากญาณทั้งสองข้างต้นเมื่ออาทีวนาณแก่กล้าแล้วนิพิทายานคือปัญญารู้เห็นความเบื่อนายย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจว่ารูปนามที่กำหนดรู้หน้าเบื่อน่าย เพราะรู้เห็นโทษด้วยอาทีวณยาณ น, นั่นเองแม้จะพิจารณาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าน่าเบื่อหน่ายแม้แต่ความฟุ้งซ่านก็ยังหน่าเบื่อหน่ายความปรากฏของญาณ น, นี้ตรัสไว้ในคำพีธรรมบทว่าเมื่อใดบุคคลอย่างเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุก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 เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์หมายความว่าในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทายานในทุกคือรูปนามที่ตนเห็นว่าน่ากลัวและเป็นโทษ ด, ด้วยพยายาและอาธีวณยานในคำภีมหาดีกาของวิสุทธิมรรคเล่มหนึ่งหน้าที่13ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อีกในหนึ่งว่า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 ตามในนี้คำว่าอัตะแปลว่าในภายหลังในแรกแปลว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นวิปัสนาญาณทั้งสามคือพยานอาทีวณยา น, น, ายานและนิพิทายานมีลักษณะเห็นโทษของรูปนามเหมือนกันต่างกันโดยความเป็นญาณระดับอ่อนปานกลางและแก่กล้าตามลำดับ ดังนั้นเมื่อพยัญานเกิดขึ้นแล้วไม่นานนักจึงมีอาทิวณายานันและนิพิทายานปรากฏแก่บุคคลบางท่านนอกจากนั้นบางท่านก็มีลำดับยานก้าวหน้าเร็วที่อาจพบลักษณะกลัวเห็นโทษหรือเบื่อหน่ายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าหนึ่ง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 แม่ในพระบาลีปฏิสัมพิามกกรกกกล่าวว่าปัญญาใดาในการเห็นประจักว่าน่ากลัวปัญญาใดาในการเห็นโทษและปัญญาใดาที่เห็นความเบื่อหน่ายปัญญาเหล่านั้นมีสภาพเดียวกันต่างกันก็แต่เพียงศัพท์